เอานั่งได้ที่แล้วก็กําหนดสติจะเอาวิตกวิจาร์หรือจะเอากําหนดรู้ก็แล้วแต่ <c oughs> กําหนดรู้ลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวตามความหมายที่ <c oughs> เรา รับทราบไปนะั่นแหละเข้ายาวออกยาวหรือจะวิตกวิจาร์ดูก็ได้เข้ายาวยาวยาวเป็นยังไงออกยาวยาวสุดนั่นเวลาลมสุดมันจะเห็นนะเวลาลมเข้ามันจะเห็น เอาไปเอามามันก็มารวมอยู่ที่จุดเดียวนี่แหลทีแรแกเรากดดูไปดูกลางลมต้นลมกลางลมปลายลมให้มันเห็นชัดๆจิตเราจึงไม่แส่สายไปไหนได้สติจึงจะคุมจิตอยู่ถ้าเราไม่เห็นชัด ถือไม่ตามลงไปมันก็แว บ, บออกไปได้ถ้าเราตามลมออกมาสุดๆพรเจ้าจะเห็นตายตรงนั้นละวิญญาณออกจากร่างเราชั่วแวบบเดียวเกิดแล้วก็ตายทำนองเดียวกันก็ต้องให้เข้าใจ ว่าลมให้ใจนี่แหละคือตัวเราจริงๆท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่แหละคือตัวเราหรือบางทีท่านก็มีความหมายว่าขันห้าลมก็คือลูกธรรมจิตก็คือนามธรรมกายกับจิตคือขันห้าขันห้า เวลาเห็นเข้าก็เรียกว่าเกิดวิญญาณเกิดขันห้าเกิดตามออกมาจนเห็นมันสุดลมสุดปลายลมสุดแล้วก็รู้และลึกรู้ว่าตายเข้าไปอีกก็ เ, เกิดอยู่อย่างนี้แหละจิตของเราจะไม่วิ่งไปไหนแยบไปไหนแสสายไปไหน มันจะเห็นลมรู้ลมเห็นเราอยู่ตลอดจึงจะเกิดปีติสุขขึ้นมาเอกคัดตาลมวิตกวิจารวิใจยอยู่เขายาวไปยังไงออกยาวไปยังไงอยู่ให้เห็นนะไม่ใช่มานั่งเล่นเฉยๆเอาแวมาจิตก้อยฉัน นิ่มลมนิ่มละเอียดลงนี่แหละทีคังวาอัดรัดสั้งวาเนี่อลู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงลู้ลมให้ใจเข้าออกนี่แหละคือกายทั้งปวงทำลมให้ใจให้ระงับลมให้ใจก็คือกายจะสังขาร แล้วงับดับลงแล้วก็พยายามดับลมให้ใจลงด้วยการผ่อนหรือเพ่งอยู่หรือกำหนดรูอยู่หรือวิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้ลมหายใจก็จะเบาลงเบาลงเบาลงหรือจะผ่อนเองก็ได้ฝึกผ่อนลมหายใจลงฝึกวันนั้นวันนี้มันก็ได้ หายพัดลมหายกายไม่มีเหลือแต่สติกับผู้รู้รู้อยู่เท่านั้นก็เป็นอันว่าได้เจโตวิมุตไม่เห็นยากอะไรนะทำเวลาไหนก็ได้เวลานั้นมือไม้ก็เหมือนกับ ไม่มีหาเราก็เหมือนกับไม่มีนั่งก็ไม่มีอาการปวดแหละถ้าเป็นยางไ้สบายนั่งก็สบายถ้าเราดูลมให้ใจนอนก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบาย นั่งก็นั่งเหมือนนั่งอยู่ในอากาศเบหาถ้าเอาสติรู้ลมอยู่เดินก็เหมือนเดินเบาในอากาศเบหาไม่มีท่าทีว่าปวดนั่นปวดนี่ยืนก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันถ้าเราเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของกิต เป็นเครื่องะระลึกของสติอยู่ทุกอริยบทจะสบายไม่ยากอะไรง่ายๆที่มันยากก็เพราะความเพียรของเราไม่ถึงพะทำไปแล้วมาก็เกิดปีติสุขเกิดขึ้นก้อยมารู้เอาจิตมารู้อยู่ที่ปีติ เอาสติมารู้อยู่ปีติเมื่อสุขเกิดขึ้นก็จะเอาสติมารู้อยู่ที่สุขปีติสุขเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราได้เวทนาเห็นเวทนาในเวทนาเวทนานี่มันจะไปประกอบกิจเวทนาสัญญา อารมณ์นีมันจะไปประกอบกิจกิจของเราจึงตั้งชื่อเรียกใหม่ว่ากิจตสังขารเราก็เห็นกิจตสังขารละปฏิสังเวทีเห็นกิจเราเป็นกิจที่ปรุงแต่งกิจผสมมีสิ่งมาประกอบกิจใหม่คือปิติสุข จิตของเราจึงเกิดเวทนาขึ้นมาจิตของเราจึงเป็นสังขารจิตทำจิตสังขารให้ลํำงับจิตตปฏิสังเวทีรำเมจิตตสังขารละปัสัมพยังจิตตสังขารลังทำจิตสังขารให้ลํำงับดับลง เมื่อกิจสังขาร้วงับดับลงกิจก็ตั้งมั่นเป็นพุทโธเลสกิจรู้รู้รู้อยู่เฉยๆนะียเป็นวิสังขารก็เป็นขึ้นหมวดที่สี่หมวดที่สามเห็นกิจในกิจเห็นมันกิจมันตั้งมันรู้ๆููก็ทำกิจ ให้ปาโมดลื่นเลื้งเบิกบานอยู่อภิปาโมททยังกิตตั้งพอจิตลื่นเลื้งเบิกบานอยู่จิตไม่มีอารมณ์อะไรมาประกอบจิต ก, ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าสมาทหางจิตตั้งทันเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว ก็จะเกิดอาการหนึ่งขึ้นมาวิโมจะยังกิดตังเป็นภาษาบาลีกิดจะว่างโปรยวางอารมณ์ทั้งหมดออกมันจึงว่างวางนะวางวิโมจะยังกิตตังวางโลกวางอารมณ์วางสมมติวางบัญญัติวางคันห้า ออกกิตก็จะสเสวยวิมุตติสุขอยู่รู้ๆููอยู่เฉยเชยนไดเกตโตวิมุตติหรือไดสมถะหรือเราเห็นอารมณ์ะนิพานกิตเสวยวิมุตติสุขรู้ๆููอยู่เพราะมันวางโลกวางอารมณ์ออกหมด บางขันห้าออกหมดนี่สามหมวดเนี่ยก็เป็นการฝึกสติฝึกสติก็มีหมวดที่สี่กมารองรับกถ้าหากว่าสามหมวดนี้มันไม่ได้ก็มีหมวดที่สี่มารองรับ อนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงไหมล่ะที่นี่ฮะเที่ยงไหมให้รู้ตามรู้ตามดูตามเห็นอ๋อเนี่ยอยู่เป็นประจําเข้าก็แล้วก็ออก มันเข้ามันออกเรียกว่าอานิจจาอานิจจังมันจะไปประกอบกันกันนั่นแหละวิโมกสามนั่นเห็นอนิจจานูปสีก็เห็นอนิจจังอนิมิตตาวิโมกหลุดพ้นพ่าเห็น มันเป็นอนิจจังเมื่อเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นมันเกิดมันดับแอะพวนเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่อยางนี้ปรินามธรรมังก็เรียกว่าทุกขังมันทนอยู่มันเดิมไม่ได้แล้วก็จะเห็น อนัตตาขึ้นมามันเป็นธรรมชาติลูกทมน้ำทมพันห้าบอกไม่ได้บอกไม่ยาดาไม่ฟังแล้วก็จะเห็นสุญญาตาสุญญาตาวิมุตติเห็นว่ามันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลจึงจะเกิดวิลาคานุปัสี ลายความยินดีนั่นแหละลายความยินดีในขั้นห้าแล้วก็ดับไม่มีเหลือซึ่งขั้นห้าขั้นห้ามันเกิดมันดับอยู่งี้ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอ ย, อย่างนี้จึงคลายความยินดีในขันห้าจึงดับขันห้าได้ถ้าไม่ถ้าไม่คล า, ายความยินดีก็ดับไม่ได้ถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็ดับไม่ได้ทำดูแล้วไม่ต้องไปเชื่อใคร เราทำมาก่อนแล้วถ้าไม่เห็นอันนี้ดับขั้นห้าไม่ได้จึงกดไต้รักญาณจึงเป็นของสูงที่สุดแม่พระโพธิ์องค์ไม่อุบัติขึ้นอันนี้จังทุกครั้งอนณาตามันก็มีอยู่แม่พระโพธิ์องค์อุบัติขึ้นมันก็มีอยู่อย่างั้น แม่เข้าปรินได้ผ่านไปแล้วก็มีอยู่อย่างนี้แต่คนไม่เห็นคนจึงไม่เบื่อหน่ายไม่ใครความยินดีฮะนี่หมวดที่สี่ก็ยังรองรับเราอยู่เห็นเข้าเห็นออกก็เห็นอนิจจังอะไรเข้าอะไรออกอะไรเกิดอะไรดับ ก็บอกหมดแล้วขั้นห้าลมเข้าไปก็เรียกว่าขั้นห้าเกิดขั้นห้าดับวิญญาณเข้าวิญญาณออกเห็นเกิดเห็นตายเห็นเกิดเห็นดับจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอืมก็จะ นิโรธานุปัสีดับขันห้าได้ดับพ่อเบื่อนายคลายความยินดีถ้าไม่เบื่อนายไม่คลความยินดีมันดับไม่ได้คนระับดูใบจนตายก็ดับไม่ได้แล้วต้องรู้รู้แล้วก่อนใจนั่นนะ่ะ โอ้มันเป็นอย่างนี้หนาไม่ใช่ตายแล้วถึงจะไปรู้จึงจะดับได้ดับได้ยังแต่ยังไม่ตายเมื่อดับขั้นห้าได้ก็ดับวัตถทสงสารความเวียนว่ายตายเกิดใดเมื่อขั้นห้า เห็นขั้นห้าอนิจจังเกิดแล้วเกิดเล่าอยู่นี่เป็นอนิจจังเกิดเข้าไปก็เกิดออกมาก็ตายอยู่นี่เราจึงจะเห็นอนิจจังถ้าไม่ดูไม่ปฏิบัติมันจะเห็นไหมหลังฮะหายใจทิ้งอยู่เฉยๆอ่ะ มันจะเห็นอะไรเขาจะเห็นเราเกิดล้าตายไหมล่ะถ้าไม่มีสติมีปัญญารู้ว่าเราเกิดล้าตายอย่างนี้ท่านก็เขียนว่าอ น, นิจจานุปัสสีทถนะิดเมื่อมันเกิดตายอย่างนี้ขึ้นนิโรธานุปัสสียังจะเกิดขึ้นคายความยินดี ดับไม่มีเหลือซึ่งขันห้าเมื่อขันห้าดับเห็นว่ามันเป็นอนิจจังพบจะมีไหมละ่ะแล้วก็ทิ้งพบไปกับขันห้านี่เมื่อพบดับชาติชลามลณะจะมีไหม นี่แหละก็เรียกว่าพระนิพพานนะชาติชาลามรณะไม่มีไม่ใช่ตายแล้วถึงจะเห็นเออเห็นแต่เรายังไม่ตายคนปัญญาอ่อนคนโง่ก็ว่าตายถึงเห็นแล้วแต่มันจะไปไหนลราตายแล้วจะไปไหนกว่าช่างเพราะมัน คนฉลาดเขารู้ตั้งแต่เราเยอะเขายังไม่ตายนี่นะปฏิจจสมุปบาทมันก็เกิดจากนี่นะรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดกายกับใจเองอาศัยกันเกิดถ้าเรารู้จักแยกดูมันก็ดูง่ายอะไรคือขั้นห้า อะไรคือลูกอะไรคือนามแม่ดูรูกยาวก็เหมือนกันที่พาสวดไปเมื่อกี้นี่รูปปังอนิจจังเวทนาอานิจจาสัญญาอานิจจาไม่มีอะไรเห็นไม่เที่ยง แล้วก็เห็นเป็นอนัตตาสุดท้ายก็ไปสรุปพระพุทธองค์สรุปสเพสั่งคาลาอานิจจานต้องเข้าใจด้วยสภะทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยสังขารภายนอกนอกตัวเราไปนะ สังขารทั้งหลายทั้งหมสังขารภายในคือตัวของเราคือขันหาสเพสังขาลาอานิจจาไม่เที่ยงทักอย่างภ า, ภายในนอกตัวเราไปก็สิ่งใดก็ตามมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารหมด หมูหมาแมวเกิดขึ้นก็สังขารหมดรถเรือสังขารหมดต้นไม้สังขารหมดมาปรุงแต่งกันขึ้นสังขารภายในก็คือกายของเราขันห้าไม่เที่ยงสเพสังขาราอนิจาไม่ใช่สวดแต่บปาก อันนี้เป็นปริยัติเวลานั้นเราก็นำไปพิจารณาดูอ๋อสังขารทั้งหลายทั้งปวงแปลปวนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้สพเพธธรรมานัตตินันติด้วยนั่นทำทั้งหลาย ไม่ใช่ตัวตนสังขารเป็นธรรมไหมฮะร่างกายเป็นธรรมไหมทมฝ่ายสังขารปรุงแต่งกันขึ้นร่างกายและจิตใจจิตใจก็เรียกว่าสังขารมันเป็นเจตสิก สิ่งมาปรุงแต่งจิตกายของเราเกาะดินน้ําลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มาปรุงแต่งจิตเวทนาสัญญาก็มาปรุงแต่งจิตจิตจึงเป็นสังขารสัพเพสั้งข้าลาสัพเพธรรมา ทมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งขึ้นมีตัวตนไหมล่ะฮะธรรมชาติฮะ ร, ร, รูปทมน้ำทำมีตัวตนไหมธรรมมาธรรมาชาติ ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมาปรุงแต่งกันขึ้นทำฝ่ายสังขาร น, นี่ปรุงแต่งกันขึ้นสิ่งใดก็ตามทั้งเรียกว่าทำหมดทาฝ่ายสังขารมีร่างกายจิตใจมาปรุงแต่งกันขึ้นมี นิ่นน้ำลมไฟม ป, ปุงแตกกันขึ้นก็เรียกว่าลูกทมน้ำทมอนัตตาสเพธธรรมมาอนัตตาไม่มีตัวตนเราไปหลงว่ามีตัวมีต้นอยู่ในนั้นมันจึงเกิดทุกข์ขึ้นมาทำาฟวิสังขารเท่นี้น อะไรล่ะวิสังขารฮะเคยเห็นไหมทำฝ่ายสังขารปรุงแต่งกันขึ้นทำฝ่ายวิสังขานี่แหละสัพเพทำมาวิสังขานคือธรรมชาติคือกิจแท้ใจเดิมไม่มีอะไรปรุงแต่งวิสังขารเรียกว่าธรรมชาติรเรียกว่าพุโทโธ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราก็เห็นพุโทโธเห็นธรรมโ ม, มเห็นสังโฆผู้ใดเห็นเรานั่นก็เห็นธรรมเราก็คือผู้รู้เราก็คือพุโทโธสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมฝ่ายวิสังขารคือพุโทโธธรมโมนี่ไม่มีอะไรปรุงแต่งว่างเป็นธรรมชาติอยู่ มีตัวตนไหมล่ะเออนตัตตานี่แล้วต้องเข้าใจอย่างนี้อืมทีนี้สังขารลมหายใจเรียกว่าสังขารไหมเอ รูปกับน้ามาประกอบกันลมก็เรียกว่ากายน้ำก็เรียกว่าใจใกายกับใจนี่มาดูให้มันเห็นมันเที่ยงไหมเออขันห้าขันละเอียดอ่ะเที่ยงไหมรูปกับน้ำกายกับใจอ่ะ ลมก็คือรูปธรรมใจก็คือนามธรรมมันมาประกอบกันเข้าปรุงแต่งกันขึ้นทำฝ่ายสังขารเที่ยงไหมมีตัวตนไห ม, หมดูให้เห็นมันเที่ยงเสมอะไร สัพเพธรร ม, มาอนัตตาทำรูปทำนามทำทำฝ่ายสังขารก็ไม่มีตัวตนทำฝ่ายวีสังขารที่เราจิตสงบแล้วนะี่ยนะเป็นวีสังขารแล้วเนะี่ยเป็นพุทโธนนะก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน ไม่ใช่ไปอยู่ที่อื่นนะที่พาสวดอยู่ก็คือจิตแท้ใจเดิมแหละเป็นพุทโธอยู่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมโม อ, อยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดก็เห็นเราเราก็คือผู้รู้คือพุทโธพุทโธก็คือเราคือสังคโฆสังคโฆก็คือเราคือผู้รู้ผู้รู้ว่าพุทโธธรรมโมก็คือเรา เราก็คือพุโทโธผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเรามันเป็นธรรมชาติอยู่มีตัวมีตน ม, ม, มีเจ้าของไมหมละะ่ะฮะคนฉลาดน้อยก็เลยว่ามีเราอยู่ในนั่นะสัตว์บุคคลตัว ต, วตวนอยู่นี่ขันหยับ ขันละเอียดก็ยังว่ามีอยู่ท่านจึงให้มาศึกษาศึกษาคือปฏิบัติเสขะแปลว่าศึกษาท้งเราก็คิดว่าไปเรียน ศึกษาแปลว่าเล่าเรียนทางทางภาษาบาลีศึกษาแปลว่าปฏิบัติหรือท่านเรียกว่าเสขาพระเสขาบุคคลมีอยู่เจ็ดจำพวกผู้กำลัง ศึกษากำลังปฏิบัติอยู่มีเกจจำพวกเรียกว่าพระเสขาบุคคลองค์สุดท้ายอะเสขาบุคคลไม่ต้องปฏิบัติองค์นี้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปแล้วรู้เท่าเอาทันลมหายใจรู้เท่าเอาทันขันห้า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ยรตธรรมแล้วองค์นี้พระอาเสค่ะบุคคลอาเสค่ะแปลว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติอีกเพราะว่าท่านปฏิบัติแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ยรตธรรมปฏิบัติชอบยิ่งแล้วอปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่าย คลายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งคันห้าแล้วองน์นี้ดับคันห้าได้แล้วดับพบดับชาติได้แล้วพบก็เกิดจากคันห้าเมื่อมีพบชาติก็มีชะลามรณะก็มีทั้งเมื่อดับพบดับชาติได้แล้วจึงเรียกว่าอะเสขะไม่ต้องปฏิบัติอีก ได้เป็นสามิกิปฏิปันโนแล้วหรือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วปฏิบัติยังไงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อไม่ยินดีก็ดับไม่มีเหลือซึ่งขันหา้า เรียกว่าอาเสขบุคคลพระเสขาบุคคลมีอยู่เจ็ดจำพวกโสดาบันโสดามัโซดาผลสองสกิธาคามิมัคสกีทาคามิผลสองเป็นสี่อนาคามิมัคอนาคามิผลสองเป็นหกพระอลหัตมรรมผู้กำลังเดินทางอยู่ ผู้กำลังศึกษากําลังปฏิบัติในมัดอยู่เรียกว่าอาลหัตตะมัดผู้กําลังศึกษาปฏิบัติในศีลสมาธปาิปัญญาเรียกว่าอาหัตตะมัดผู้กําลังศึกษาปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาขั้นต่ําลงมาก็เรียกว่าพระอนาคาคาอนาคามีมัด เขาใหญ่ไหมล่ะมรมรเปรตสิ้นสมาธิปัญญาผู้ปฏิบัติพระโสดาบันก็ปฏิบัติสิ้นสมาธิปัญญาอยู่ทำไมถึงมีหลายขั้นพระอริยเพราะอะไรรู้ไหม พ่อมักเป็นเพื่องประหารกิเลสประหาร น, นะแปลว่าฆ่านะประหารประหารกิเลสหยาบละเอียดต่างกันพระโสนาบันก็ฆ่ากิเลสได้สามอย่างสักายาทิฐิวิกิจฉาศิลพัติประมาณกำลัง ปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่าโซดามักเอาศีลสมาธิปัญญาอยู่ขั้นตํำๆอยู่ขึ้นไปก็เป็นสกิทาคาอนาคาพระลาหนเพราะมักรู้อย่างมักไมหมละ่ะ เป็นเครื่องประหารกิเลสได้หยาบละเอียดต่างกันพระอริยสงฆ์จึงมี8ปดมีสี่ประเภทแบ่งออกเป็นบุคคลได้8ปดบุคคลสปิจิตจำพวกนั้นกำลังเดินทางอยู่กำลังปฏิจจมัติอยู่ใน ศีล ส, สมาธิปัญญาอรหัตมรรองค์ที่กิจเมื่อผลเกิดขึ้นมรรคฆ่ายกิเลสได้ศีลอธิศีลกิจอธิกิจปัญญาเป็นอธิปัญญาท่านก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ส, สมาธิปัญญา บริบูรณ์แล้วไม่ทำอีกก็ได้เมื่อบริบูรณแล้วมรรคบริบูรณ์แล้วค่ายกิเลสได้หมดแล้วก็เรียกว่าอรหัตตผลแน่มรรคกับผลมันก็แนบกันอยู่อย่างนี้ ม, มันอยู่ใกล้ไมหมล่ะฮะ อิติปิโสภควาอัลลังเนี่ยสวดอยู่เมื่อกี้นี่โยโซแต่ท่าคัตโตอัลหังพระพุทธองค์ได้ทรงพระนามว่าเป็นพระลหันเพราะอะไรท่านจึงได้เป็นสวดแล้ ว, วกว็ คำสวดนี่เป็นปริยัติเพราะอะไรท่านถึงได้เป็นพระลหันก็เพราะท่านเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญานะ่ก็ง่ายๆนี่แหละบริบูรณ์ศีบลบริบูรณ์ท่านก็เลยเป็นพระละหัน เราอยากเป็นพระลัหันก็ให้บริบูรณ์เหมือนกับพระพุทธองค์ตทำตามพระพุทธองค์ไปศีลเป็นอธิศีลกิจเป็นอธิกิจปัญญาเป็นอธิปัญญาศีลปราบกิเลสอย่างอยาบออกจากจิตจากใจเรียกว่าแต่ทังควิมุตลุดผลด้วยศีล สมาธิปราบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรมห้าจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสอย่างกลางเข้าสมาธิจิต ก, ก็เป็นอธิจิตขึ้นมาปัญญาปราบกิเลสอย่างละเอียดอันได้แก่ อ, อุปธินอนเนื่องอยู่ในสันานา น, นะ อุปธิคืออะไรล่ะหได้ยินได้ชื่ออุปธิอุปธิได้ยินแเจนีก่ก็คิดยากแล้วสินะเนี่ยอะไรเนาะอุปธิอุปธิก็มาจากอุปทานนั่นแหละอุปทานขั้นห้านี่ยะมายึดมาเถื่อว่าขั้นห้าเป็นตัวเป็นต้นเป็นเราเป็นเขาแน่นหนาะฝังลึก เข้าไปในกิจในใจนั่ น, น, นเรียกว่าอุปธิท่านะหรือบางทีท่านเรียกว่าอุปธิวิเวกสังัดจากขันห้าวิเวกแปลว่าสังหารสังัดจากขันห้าคือเราดับขันห้าได้แล้วจึงเรียกว่าอุปธิวิเวก อนุใสสามก็ว่าลาคานุัสปฏิคานุัสอวิชานุัสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเรียกว่าอุปธิตัวอวิชานุใสยน่น ถ้าสงัดจากขั้นห้าแล้วก็ดับขั้นห้าได้ก็เรียกว่าอุปธิวิเวกฮมันทำไมยังไม่ได้ศีลพระพุทองค์เอาศีลอะไรฮะศีกลกุศลก้ามบทสิบหรืออริยะกันแต่ศีลศีลในอริยมรร เราททำได้ไหมละ่ะกายกรรมสามวิจีกรรมสีมโนกรรมสามกุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบทแปลว่าทางทางกระทำของผู้ฉลาดได้แก่นะักปราบบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทำลงในศีลนี้เน่ได้ไหมล่ะเราฮะอาทิศีลนะ นีมันอยู่ไหนถ้าเข้าใจอธิก r จก็ทำา r ิตให้ตั้งมัน่นเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่นะรู้รู้อยู่อยู่เฉยๆเป็นธรรมชาติไม่ยินดียินไลนะ่เก็เรียกว่าอธิก r จอธิปัญญาปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปนะี่คือปัญญาที่มาดับ ขั้นห้าปัญญาที่หรือเรียกว่าปัญญาโลกุตละปัญญาปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในลมหายใจนี่เอง ลมหายใจมันเกิดมันดับมันเข้ามันออกอยู่ที่ขันห่านี่เองอริยสัจสี่ขันห่าททำงานเกิดแล้วก็ดับตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงขันห่ากายกับใจก็ทำงานร่วมกันถือว่าใจเราเป็น พระเจ้าอยู่หัวก็ได้คิดไม่ออกส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้เป็นคณะปกครองหรือใจเป็นนายกพวกนี้เป็นรัฐมนตรีทำงานร่วมกันกายกับใจ คิดไปหลายเงียหลายมุมนะพอให้เราเข้าใจง่ายๆพระเจ้าอยู่หัวสั่งงานลงมาคณะรัฐบาลตาหูจมูกลิ้นกลใก้ใหญ่กว่าทำงานเลยเข้าไปเสนอในหลวงพยาจิตตลาด นี่มันไม่อยู่อื่นขั้นห้ากายกับใจเกิดแล้กวก็ดับนี่พบหนึ่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอายตนะภายนอกภายในกระทบกันแต่ละขั้งละขั้งก็เรียกว่า ข, ขั้นห้าทำงาน ตาทำงานหูวทำงานแยกออกเป็นที่พูดย่อให้ฟังว่าคณะรัฐมนตรีเขาทำงานแยกออกเป็นสายสายรัฐมนตรีตารัฐมนตรีหูส่งงานเข้าไปให้นายกให้หัวหน้ารัฐบาล ให้ใจเสนอลงไปนั้นให้ใจนั้นทำงานร่วมกันอย่อยางนี้ถ้าใครไปหลงว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันมันงานของกายงานของจิตทำงานร่วมกันให้เฉย มั้นเขาเอาของมาส่งให้กันนั่นแ่ะส่งสินค้าให้กันก็ว่าได้ใจคือผู้รับสินค้าสินค้าจะส่งมาทางตาทางหูทางอะไรก็ได้อารมณ์ก็ว่ากิเลสก็ว่าแล้วมันก็เกิดดับเท่านี้มันเป็นอนิจจังทุคังอนัตตา คนโง่ก็เลยเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาคนฉลาดเขาก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอัตตามันเกิเกดเกิดเกิดดับอยู่อย่างนี้กี่พบกี่ชาติก็ไม่มีใครไปอุปทานเอามันเมื่อก็ทํทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ที่สุดแห่งทุกข์ก็คือการไม่ยึดไม่ถือการที่ไปยึดไปถือนั่นเถอะทำให้เกิดทุกข์ ไปอุปทานนี่แหละคือไปยึดไปถือว่าโดยย่ออุปทานขั้นห้านนแหละคือทุกเนี่ยทำไมไปอุปทานเอาก็หลงว่าเป็นเราเป็นของของเราที่สุดแห่งทุกคือการไม่ยึดไม่ถือเนี่ยก็เพราะเรารู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราธรรมชาติอิงอาศัยกันเกิด มันก็มีแค่นี้ไม่ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วก็ดับคันห้าได้ทำที่สุดแห่งทุกได้มันไม่อยู่ที่ทไหนกายกับใจรูปกับนามดูกล้ห ย, ยาบก็ได้ดูกลยละเอียดก็ได้ก็เรียกว่าคันห้าด้วยกัน ให้พากันทําเอานะได้หมดแล้พระพุทธเจ้าบริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทําศีลของเราบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์แล้วก็ได้เป็นพระหันเหมือนกับพระพุทธองค์ได้เป็นอนุพุทธะ เป็นผู้รู้ตามเห็นตามพระพุทธองค์ไปเข้าสู่พระนิพพานไปเหมือนกันเอาวันนี้ก็พอสมควรเอาละพอโอ้เก่งเว้ยเียงใหม่นี่นั่งนิ่มนี่เด็กคนเก่งๆเอาไปเอามาก็บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญา ใช่ไหมยมบรรจงศีบลบริบูรณ์หรื อ, อยังพามวยแต่ <laughs> <laughs> พย า, ยามาลายกายดีว่าจาดี ใ, ใจดีเอืๆนั่งสมาธิกิจสงบกว่าได้เป็นอธิกิจขึ้นมามาเดินปัญญาโน้กแจ้งซึ่งขันห้าก็เลยอธิปัญญา ดับขั้นหาได้ใช่ไหมอยู่ไกลไหมอะี้ดับด้วยอะไรยมแมวดับด้วยอะไรถึงจะดับขั้นหาได้ดดแม่คือเก่งแต่วัง <c oughs> <c oughs> มันจะไม่มาเกิดอีกแน่เนี่ยเฮ <c oughs> <c oughs> มาเกิดต้องมาลองให้ ทุกขนาดไหนน้ำตาไหลออกความทุกเกิดขึ้นน้ำตาเราไหลออกเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ถ้าเราเอาอะไรรองรับเอาไว้พบนี่แหละชาติที่มาเป็นคนนี่แหละจะได้พ่อขันไหม เคยลองให้ถึงขนาดนั่นไหมฮตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมาจนถึงขนาดเอาก็พอเข้าใจนะเรื่องอาณาปานสติก็อย่างที่ใบที่แจกไปนั่นแหละเราต้องทำความเข้าใจด้วยท่องให้ได้ด้วย หมวดที่หนึ่งสองาคือสมถะหมวดที่สี่คือปัญญาคือวิปัสนาอาณาปานสติมันจะได้ทั้งสมถะและวิปัสนาต้องให้เห็นให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีให้สงสัยอะไรไหมล่ะ ทำไปแล้วเกิดวิกิจิตชาความสงสัยขึ้นมาเหมือนกับเราเดินทางไปเดินไปเดินไปไปเจอทางสองแยกสามแยกสองแพร่งสามแพร่งไม่รู้จะไปทางไหนภาษาบาลีเรียกว่าวิกิจิตชา ความสงสัยความโลเลสงสัยทำให้เราหยุดเดินทางมันจะใช่ไหมน้องออยู่นั้นใช่ไหมก็เลยไม่เดินทางต่อไปได้เพราะองค์เรา ว, วิกจิจชฉาความโลเลสงสัยเกิดขึ้นพอเป็นนิวรณ์รมากั้นกลางกิจไม่ให้ ดำเนินเดินต่อไปอีกโอ้มีแต่คนเก่งๆเนอะยอมรวงไม่ไม่มีใครสงสัยฮะสงสัยแต่ว่าอยากจะมาเกิดอีกไม่อยาก ไปเกิดไม่อยากเกิดอยากเกิดอีกเมันไม่ยากอยากเกิดอีกถ้าเราอยากเกิดเป็นภพเป็นชาติอีกก็ใจจะขาดมันจะเกิดอารมณ์เป็นมาอารมณ์นี่แหละคือภพคือที่เกิดที่ตั้งของจิตคิดไปถึงอะไรตอนใจอยากขาด ตอนใจจะขาดถ้าทำให้เป็นว่างเป็นธรรมชาติก็ไปสู่ธรรมชาติถ้าใจจะขาดไปคิดถึงหลานอยู่ อ, ยยอ่ามาเลี้ยงหลานอยู่คิดถึงเมียอยู่ก็ไปไม่ได้อยกนะมาตายเฝ้าเป็นทุกแก เป็นงูเป็นกิ่งกาอยู่บนบ้านแอบส่องดูเมียอยู่นั่นนะท่านเขียนไว้สมัยพุทธกาลคนหนึ่งรักเมียมากทำงานให้ไม่ให้เมียทำงานสักอยาก่างเจ้าของทำงานหมดเขาก็เลยมาป่วยตายนั่นนะคิดถึงเมียมาก เลยไม่ไปไหนอารมณ์สุดท้ายเลยมาเกิดเป็นตุ๊กแกเฝ้าบ้านคอยปลุกเมียให้ตืน่นกลับแกครับแก <ś les> <ś les> <ś les> พอได้ดูเมียเจ้าของอหมดอายุตุกก๊กแกไปตายเป็นงูเขียวมาเฝ้าอยู่บ้านเก่านะ ตอนนั้นเมียแต่งงานใหม่เอาผัวใหม่โอ้ไปเห็นผัวขี้เกียจไหมผัวเป็นคนเล่นการพ น, นันขี้เกียจไม่ช่วยเมียเลยมีแต่เมียทำงานอย่างเดียวไอ้งูเขียวก็ทสงสันโอ้ยตั้งแต่เราอยู่นี่เราไม่ให้ทำงานอะไรเลยเพราะมันมาได้ผัวคนนี้มาผัวใช่มันมันก็รักผัวมันมาก เขาทําบวกทําอะไรไมันก็ทําหมดแต่ก่อนไปมันไม่มีน้ําประปาเหมือนทุกวันต้องไปหาผัวไปหาบน้ํามาจากเที่ยวนี้ผัวใหม่ไม่ไปตักน้ํา <c> เ <oughs> <c oughs> มียต้องมีหนะ้าที่ไปหาทํางานมาเลี้ยงผัวว่ากันฮนะใช้เมียทุกอย่างนะวันหนึ่งเมียไป ตักน้ำมามันก็มีบ้านเก่ามันมีที่ที่วางโอ่งน้ำเขาเรียกว่า้านวางอ่งน้ำตั้งไว้งูก็ไปอยู่ที่นั่นแหละมีาหาบน้ำมาวางไว้จะเอาน้ำขึ้นเทใส่ตุ่มใส่โอง่งงูเขียวก็เลยเอาคอมาถามหูเหนื่อยไหม <laughs> สงสาเมียเนี่ยเมียว่าไงเห็นงูเขียวกลัวงูเขียวจะชกเจ้าของไม่คานหามน้ำก็นำลงใส่เสาลายละเอียดไปลาวแอนไปตายเลยนั่นนะไม่รู้จักว่าผัวคิดถึงเจ้าของหัวเกี่ยว ไม่คานหามน้ำกระหน่ำใส่เสาหลังหักไปตายทันทีเลยจึงมารู้ว่าเขาไม่ได้รักเราเลยมันอยู่คนละพบละชาติเราจะมาอยู่รอเขาทำไมว่างั้นนู่น น, น่ะขนาดนั้นนะรอเมียอยู่งั้นแหละจนสุดท้ายถูกไม่คานเขา จึงหนีไปไหมเพาะว่าไปเลยเนี่ยไม่ไม่มารออีกแล้วมันมันคิดถึงกันถึงขนาดนั้นไม่ใช่ของเล่ น, นเล่นมันลึกอันเนี้ยที่ท่านว่าตัดบัวยังเหลือใหญ่อยู่ใหญ่มัน ล, ลึอกอยู่หากออกแล้วก็ยังมีใยมันอยู่ใช่ไหมหากสายบัวออกมันลึกถึงขนาดนั้นมันจึงมาเกาะมาติดอยู่ได้ เอาไม่เป็นไราชาติหน้าคงพบกันอีกทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเอาเคยอ่าน <S <S พร ะ, ะพระะุทธเจ้าไหมล่ะท่านก็มาพบกันเรื่อยสมัยหนึ่งก็มาเป็นท่านเปิดอะไรฟังเห็นผ่าเปิดมาเป็นปาดุก นั่งปลาดุกตั้งท้องอยากกินหญ้าอ่อนก็เลยใช้ผัวไปสามีไปหาหญ้าอ่อนมาให้กินบังเอิญพันป่าไปไต่ป่ากำลังเห็นขึ้นมาคาบเอาย่าอ่อนอยู่ริมฝั่งก็เห็นมาหลบไม่ทันเขาก็ฟัน ยังไม่ตายวิ่งกลับขึ้นไปคาบหญ้าสงสารเมียขนาดั้นขนาดเก็บไปนั้นยังคาบหญ้าคาบหญ้าวันนั่นละ่ะสงสารกันคิดถึงกันถึงขนาดนั้นไปเมียก็ไปเอาเดินให้ดูก็สงสารกันไม่รู้จะทำอะไรนะเอาไปมาก็เลยไปป่วยตาย ก็ถูกฟันไปตอนพระนางพิมพายจะเข้าพระนิพพานท่านก็มาขอคำมาโทษเคยไปชายพระพุทธองค์ไปอันนั้นอันนี้หลายครั้งหลายคราวเนาะมาพบกันอย่างเรามาพบกันกับสามีภรรยากันนี่ก็ททำบุญร่วมกันมาหลายพบหลายชาติแล้ว วนเวียนมาพบกันอีกอยู่อย่างนี้ตอนท่านจะไปพระนิพพานท่านก็เลยมาขอข้ามาสมัยนั้นพระนางเป็นลิงพระพุทธเจ้าก็เป็นลิงตัวผู้สมัยนั้นเป็นปลาดุกสมัยนั้นเป็นอะไรก็ไล่ไปให้อภัยโทษให้จะไปพระนิพพานแล้ว นั่นละเราถึงในฟังอันนี้โอ้พบชาติมันไม่ไม่ใช่น้อยเกิดมาพบกันเออนั่นแหละไอ้บางคนเกิดมาก็มาฆ่ากันตายเพราะรลวบเพราะโกรธสามีภรรยาข่ากันตายก็มีชาติหน้าก็ไปพบกันอีกก็มีนั่นแหละให้เราบำเพ็ญภาวนาเอาไว้ ดับพบดับชาติเสียดับด้วยอะไรล่ะฮะจะดับด้วยอะไรเครื่องมือดับอะ่ะรู้จักไหมฮะอะไรล่ะเอาอะไรมาดับอืมเอามัด มาประหารกิเลสมาฆ่าดับภพบดับชาติด้วยมรรคอริยสัจสีอริยมรรคดับทุกข์ได้ขอาการขนะอคนุญายมขอถามที่คุณเจ้าค่ะสาวมาตอนนี้พรมเพื่อนสนิทยมอุ้ยอยู่ในห้อง ICU อ น, นะเจ้าคะแล้วก็เขาเป็น เส้นโลหิตแตกในสมองนะคะแล้วเขาไม่รู้สึกัวเนี่ยแต่ว่ายังทรงอาการหายใจอยู่เนี่ยแล้วเวลาเราไปเนี่ยเราเราควรจะแบบไปกระซิบตรงหูเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรอวันที่เขาฟื้นนะคะอืมอ๋อก็บอกไปกระชิบไปให้บอกสารณะที่พึ่งให้ท่องพุโทโธด้วยพุโทโธธรมโม เป็นสาระที่พึ่งเรื่องน่อยก็ทำจิตให้ว่างเขาไม่รู้สึกตัวเลยะไเราต้องไปไปบอกผู้คนทำไมบางทีเขารู้สึกอยู่ก็บอกเผื่อรู้สึกอยู่ให้ทำจิตให้ว่างให้ปล่อยให้ว่าง วางโลกวางอารมณ์ออกหมดนะเมื่อจิตดับลงจากดับถ้าความว่างจิตจะเข้าสู่พระนิพพานมิโมจะยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยวางนั่นแหละสำคัญถ้าปล่อยได้วางได้มันก่อ ที่มันปล่อยไม่ได้วางไม่ได้นะ่ะตายมาเป็นงูอยู่นั่น <c oughs> มันมาคิดถึงกันอยู่ถ้าวางได้วางโลกวางอารมณ์วางสมมุติออกเ <c oughs> มียก็สมมติเฉยๆผัวก็สมมุติเฉยๆเราตายไปแล้วเขาเอาผัวใหม่ก็ได้ <c oughs> เป็นเพียงสมมุติมาใช้กันชั่ว ขณะเดียวเท่านั้นขณะหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องไปยึดไปถือเราก็ปล่อยวางได้เรื่องยังไม่นั่นก็ให้ท่องพุทธโธธรมสังโฆพุทธโธธรมสังโฆนี่ก็เป็นพระพุทธคุณห้าสิบหกพระธรรมคุณส8มสิบปดสังฆคุณสิบสี่รวมเป็นร้อยปด อิติปิโสร้อปดมารวมอยู่ที่พุทโธธรมโมโอสังโฆให้ท่องอย่างนี้ก็ได้นะหรือมันยาวเกินไปก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธตัวเดียวครอบหมดท่องพุทโธก็ได้ธรโมโอสังโฆท่องธรรมโมก็ได้พุทโธสังโฆด้วยเพราะว่าสามอันมันแยกออกจากกันไม่ได้ เป็นรัตจันะใจแก้วสามประการมันเป็น <c oughs> สามอย่างอันเดียวกันคือใจดวงเดียวกันเท่านั้นไม่ให้นี่ละอัตตาหิอัตโนานโนนทโธทำใจให้เป็นพุทโทธธรรมโสังโฆเป็นที่พึ่งของใจเยาของเมื่อตายไปแล้วเราจึงจะปิดอบายภูมิได้หรือไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้ บอกอย่อๆอย่าลืมพุโทโธนอท่องให้เป็นประจำนะมีแค่นั้นให้เขาหายเขานั่นให้เขาฟื้นขึ้นมาซะกรรมเก่ามันเคยไปทรมานอะไรมาก็ไม่รู้ชาตินี้เราก็อะไรมาเป็นอย่างนี้บางทีก็เห็นทันตานะอายามะทันตาเห็นทันตา อย่างลงตานี่เคยไปฆ่าไก่ห้าไก่มันไม่ตายปาดคอจนขาดแล้วก็ดิ้นอยู่งั้นเจ้าลงแช่น้ำร้อนมันถอนขนไม่ได้ไม่มีอาหารต้องฆ่าไก่ตอนนั้นเลยเอามือไปบีบข้างๆเข้าไปบีบหัวใจมัน มันถึงจะตายบีบเข้าบีบเข้ามันก็ตายไม่ดินก่อนตายมันคงจะอาฆาตพยาบาทแม้แต่ปาดคอยังไม่เลียวพยาว่านะยังว่าบีบหัวใจเราอีกเพราะฉะนั้นเราเห็นทันตาแล้วเราก็เลยไปเกิดเป็นหัวใจตีบไปผ่านดัดนวน เห็นทันตาไหมล่ะเออแล้วก็คิดถึงอันนี้ล่ะมีขั้งเดียวนี่แหละที่เคยทําอย่างนี้มาติดใจติดตาอยู่นั่นของอารมณ์นี้หละทําให้มันติดเรามาอยู่เราจึงเป็นหัวใจตีบลิ้นหัวใจตีบเราไปบีบเขานะ่ะบีบให้มันหายใจไม่ได้มันจะได้ตายจะได้เอาไปลวกน้าร้อนว่างั้นนะ่ะ ถ้ามันดิ้นอยู่มันลวกน้ำร้อนมันก็กระเด็นใส่เจ้าของต้องบีบเข้าไปตรงกระดูกซี่โคงมันเอาไปใส่หัวใจมันถึงตายอันนี้ก็ทันตาเลยนะมันคงยำอาฆาตพยาบาทเราตอนนี้เราก็แผ่เมตตาไปเขาละละไปเกิดไปขานเสีย ผมจะเคยจองกรรมจองเวรกันมาแล้วก็ยอมรับนะเออมีฮะสา ม, มส า, มสามข้อความตัง้งหน้าฐานาานาปานสติทัคนเจริญแล้วทําให้มากแล้ ว, วย่อมามสติปัฏฐานสติสติปัฏฐานสี่ให้สมบูรณ์มันมันมันเกี่ยวเนื่อกันยังอ๋อเกี่ยว <c oughs> ลมให้แย่เขา้าออกนี่ ลมหายใจคุมหมดขั่วใหญ่อยู่ลมหายใจเห็นลมหายใจเข้าออกชัดๆก็เรียกว่าเห็นกายลมหายใจคือกายเข้าใจไหมเห็นกายในกายเกี่ยวกันไหมเหีนเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานนี่หมวดหนึ่งเมื่อดูไปดูมา ก, ก็ ดูลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเบาลงก็เกิดปีติสุขก็เห็นเวทนาขึ้นมาลมให้ใจอย่างเดียวนะเมื่อลมให้ใจแผ่วลงแผ่วลงเบาลงเบาลงปีติสุขเกิดขึ้นก็เห็นเวทนาปีติสุขนี่แหละเรียกว่าเวทนาเมื่อดับปีติสุขลงก็เห็นกิจ นี่มันเกี่ยวกันอย่างนี้ดับลมให้ใจลงก็เห็นจิตนี่หมวดหมวดที่สองเวทนาต่อไปเราก็จับดูจิตของเราหมวดที่สามจิตเป็นผู้รู้รู้อยู่เฉยๆที่นี้เราก็ทำจิตให้เลืเล่นเริงเบิกบานอยู่ ก็จะได้เกิดสมาธิขึ้นมาอ่า ก, ก็จิตจะปล่อยวางโลกวางอารมณ์จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เห็ น, จ, นจิตในจิตนี่มวดที่สามมวดที่สี่ก็เห็นธรรมในธรรมธรรมไมชาติก็คือลมให้ใจเข้าให้ใจออกมันเป็นอนิจจังยกขึ้นสู่ใจลักยานอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นธรรมในธรรม เห็นลมให้ใจนี่แหละอย่างเดียวเข้าใจไหมหล่ะเทนี่ก็ได้สี่อย่า ง, างเรียกว่าสติประธานสี่เอาสติมาลู้อยู่ที่ฐานทั้งสี่เรียกว่าสติประธานสี่ฐานแปรวิที่ตั้งแห่งการการะทํามสี่อย่างหรือเอาฐานทั้งสี่มาวิตกวิจารณ์วิจัยดูก็เรียกว่าธรรมวิจยะ สามโคดชมไม่มีเข้าใจนะทีนี้ข้างล่างไวนะ้นั้นเมื่อสติประธานสีบอิบูบู์แล้วย่อมได้โคดชมเกดบอิบูบู์ใช่ไหมบอลบิลบูรนี่ตอนเราฝึกอาณาปานสติคุมจิตมาลู้อยู่ลมให้ใจสติคุมจิตมาลู้อยู่ลมให้ใจ มันได้หมดอ่าสติเราได้ฝึกแล้วได้เจริญแล้วตอนเราเอาสติคุมกิจมาดูลมให้ใจก็เรียกว่าสติสัมโพชงเราได้ทำแล้วเขาใจไหมละ่ะง่ายๆแค่นี้เนี่ยอ่าที่นี่ก็ตัวที่สองก็สติแล้วอะไรอีกล่ะ สติโพช่งเจ็ดเขา <ๆ S 1> เขาสวดไปยังไงนะทำมายังวิท ย, ยุจะฉาชอาาเดียวเดียวเดียวคิดตอนนี้ก่อนเมื่อเราเอาสติมาคุมจิตมารู้ลมให้ใจอยู่อย่างนี้เขเรียกว่าสติสัมโพดชงได้เจริญแล้ว โพช่างโคสติสังฆาโตธรร ม, มานาังวิโ ย, ยัจถาเมื่อเราเอาลมหายใจหรือเอาสติประธานสี่บทใดบทหนึ่งมาตกวิจารวิจัยดูก็เรียกว่าธรรมวิจยะสมโพชงเราได้ทำแล้วใช่ไหมแล้วไทได้เจริญแล้วเมื่อเจริญอยู่อย่างนี้ปีติหรือ อันนี้จเจริญแล้วก็จะเกิดวิริยะความเพียรเพียนตั้งสติมาพิจารณาดูทมบทใดบทหนึ่งก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เราได้จเจริญแล้วก็วจะเกิดปีติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาปัสสธิกายระงับจิตระงับลมให้ใจระงับจิตระงับลง ก็จะได้สมาธิขึ้นมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิเปกเปกขับโพชังข่าคืออุเบกขานะเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วจิตจะเป็นอุเบกขาลู่ลูอยู่เฉยเฉยแสดงว่าอุเบกขาสัมโพชงเราก็จะได้จเจริญแล้วอันเดียวกันแต่พูด คนนนเรื่องขยายออกให้ดูเฉยๆเมื่อได้อุเบกขาสามพุทธชงแล้วเราจะเกิดวิชาขึ้นมาเกิดปัญญาวิชาคือปัญญาคือความรู้ขึ้นมาว่ากายก็สัตว์แต่ว่ากายใจก็สัตว์แต่ว่าใจมีหน้าที่รู้อยู่เฉยๆไม่ยินดียินลายเป็นธรรมชาติกายก็เป็นธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติ ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราจะเกิดวิชาความรู้บางทีกิจท้อออกมาเสนมาที่มาเราจะได้วิชาสามนั่นล่ะวิชาแล้วก็จะวิมุตตหลุดพ้นจากขั้นห้าได้ก็ลมหายใจตัวเดียวเท่านั้นเองขั้นห้าก็คือลมหายใจใช่ไหมล่ะใช่ไหมฮะ ลมให้ใจใช่คันห้าไหม น, นั่นแหละลูกกำน้ำลมก็คือกายใจก็คือน้าอ่าเข้าใจนะพอเข้าใจอันเดียวพูดขยายความเชฉยเฉยเอาอัลนะิแปลว่ า, อ, า, อ, า, า, วาอะไรละ่ะฆ่าศัตรูแปลว่ากิเลศ อริยะอะไรอไริยสัจสัจจะแปลว่าอะไรความจริงอริยะแปลว่าประเสริฐความจริงอันประเสริฐอริยะแปลว่าขาดศึกศัตรูปรแปลว่ากิเลสยะแปลว่าไกลสัจจะแปลว่าความจริงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเห็นสัจจะคือความจริงจริงจะไกลจากกิเลสความจริงคือยังไง มันก็อยู่กับทุก์หายใจมันเหมือนเห็นคำในคำนะเอาอันเดียวกันลมหายใจเข้าออกสุขหรือทุกข์นั่นแหละเกิดดับเนี่ยมันเกิดมันดับนี่แหละมันทุกข์อ่ะนี่แหละทุกข์ในอริยสัจสี่สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่พระอาญากรทัญยะก็เห็นสัจธรรมก็ได้เปลียนพระโสดาบัน เป็นพระสงฆ์องค์หล็กเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับเข้ายัยไหมล่ ะ, ะสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นสุขหรือทุกข์ฮะแล้นก็เห็นทุกข์ขึ้นมานี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงสัจจะคือความจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วดับไหมอะไรเกิดแล้วไม่ดับมีไหม นี่แหละสัจจะคือความจริงสัจธรรมคือเกิดดับนี่เองนี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นั่นกำหนดรู้ลมหายใจมันมีตัวตนสัตว์บุคคลไหมล่ะขันห้างกายหยาบมีตัวตนสัตว์บุคคลไหมฮะใจมีสัตว์บุคคลตัวตนไหม คันห้าใกล้กับใจอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับไม่กี้ก็บอกว่ามันทํางานร่วมกันเหมือนคณะรัฐมนตรีก็บอกพูดหยอกไป <c oughs> บางทีเข้าใจใช่ไหมละ่ ะ, ะเหมือนอพอ อ, อยู่ที่โรงเรียนพ อ, ออยู่ที่สํานักงานเขาก็ต้องมีแบ่งสายงานเขาออกไปทํางานร่วมกัน ใช่ไหมเอางานเข้ามาส่งพอ่ออ่านี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นก็เป็นรัฐมนตรีอ่าใจเราก็เป็นนายกใช่ไมละ่ะรัฐมนตรีต้องมายื่นให้นายกตายเห็นลูกก็ต้องมาบอกจิตใช่ไหมละ่ะถ้าเราไปหลงว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลเราก็ไปอุปทานเอาเลยไม่รู้สึกตัว ถ้าเรารู้ว่ากายสักแต่ว่ากายดินน้ำลมไฟมาจิต ก, ก็คือวิญญาณมาเรียกว่าจิตว่าใจเฉยๆล้วก็กายกับใจก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ไม่มีใครไปอุปทานออกมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมล่ะเออพอเข้าใจนะนี่แหละล่มให้ใจก็คือรูปธรรม ใจก็คือนามธรรมมันอยู่ด้วยกันผู้รู้อาศัยอยู่ในลมกายกับใจนี่คือรูปธรรมนามธรรมมันเกิดแล้วก็ดับทุกไหมนี่เนี่ทุกไหมเกิดดับเกิดดับถ้าใครมาหลงมายึดเอาใจของเราว่าวิญญาณคือตัวเราใช่ไหม ถ้าร่มให้ยย้ขาดเราต้องตายใช่ไหมเราใครอะเป็นทุกข์เหรอเรา่ะเป็นทุกข์อะใช่ไหมละ่ะร่มให้เย้มันไม่ได้ทุกข์ได้มันก็เข้าออกเข้าออกตามหน้าที่ของมันฮะวิญญาณกับจิตมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าอเอาก็เกิดจากใจตัวเดียวนั่นแหละ มโนก็คือใจวิญญาณก็คือใจจิตก็คือใจจิตอันใดใจก็อันนั้นมโมก็อันใดใจก็อันนั้นเรียกแทนกันมันเป็นลักษณะเฉยๆลักษณะอาการของจิตเหมือนเจ้านั่นละ่ะคนไม่ลูกไม่เห็นเขาก็เรียกว่าแม่ใช่ไหมเจ้าคนเดียวเนี่ยละ่ะอืเวลาพี่ชายไม่เห็นเขาก็เรียกว่าน้อง ก็เรียกเจ้าคนเดียวนั่นแหละใช่ไหมนึกออกไหมทีนี้แต่ก็คนเดียวกันนี่แหละผู้รู้คนเดียวกันนี่แหละบางทีก็เรียกว่าใจบางทีก็เรียกว่าจิตถ้ามันคิดนึกมันคิดไปใช่ไหมเข้าใจแไหมล่ะทีนี้วิญญาณเป็นธาตุรู้มันเป็นธาตุรู้อยู่เฉย มันเป็นธรรมชาติธาตุรู้อะไรเกิดมาวิญญาณก็รู้ให้เกิดปวดขาขึ้นมานี่ยวิญญาณก็ไม่รู้ไปรู้ให้ว่าปวดขานี่แหละคือวิญญาณวิญญาณกายไปรู้ว่าปวดขาปวดขาขั้นก็เรียกว่าขันธมารอีกมารมาลบกับ ใจใจก็เลยไปสู้มานไม่ได้ก็เลยหยุดหยุดนั่งเยไม่ลบมานเกิดขึ้นต้องลบขันทะมานนะเขาเรียกปวดขาอย่างก็คที่นานบังปกราบบังว่าอ้านพอนะปกรบบัว่า ว่ายังไงนะเยงเวลานั่งสมาธินี่ยะีนี้เป็นปวดขา่าปวดาเออนั่งแล้วมันมันเจ็บอ่ะแล้วแบบพอรู้สึกว่าโอเคว่ามันเจ็บปุ๊บเราก็จะพยียาขาอไเงเี้ยพยายามใช้เหน็บชามันหายว่าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราควรยังไงเราควรจะทนไม่ไม่ไม่ม่สู้ตายต่อร้อยคนพันคนหาคนกล้า ค, คนเดียวก็ไม่มี ถ้าคนในกล้าคนนั้นก็ไปผนิพันธ์นั่งอยู่นี่ไม่มีใครกล้าหรอกเออมึงป่วนนั่งตลอดแจ้งมีใครกล้าทํำไหมไม่มีถ้าทําไปนี่ก็เรียกว่าเราผ่านเวทนาใหญ่จึงจะไปเห็นผนิพันธ์นั่งอยู่นี่ไม่มีคนกล้า น้องตาวตลอดคืนสว่างนี่นับไม่ได้แล้วนะวเอาใหม่ๆ ม, มันก็รู้สึกเก็บต่อมามันไม่เก็บแล้วไม่กิดมันว่างกิจมันว่างมันออกจากกายมาเป็นเอกเทศอยู่ข้างหน้ามันไม่ไปถือเอากาย ตัววิญญาณไปรู้ไม่ไปรู้อยู่ในกายวิญญาณก็เคยกิดไม่ไปอยู่ในกายกิดออกมาเป็นเอกเทศเอกาทิพโวหรือเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอกข้าตากิดนั่นเข้าใจไหมมันออกมานะมาอยู่ตรงหน้าเราเนี่รู้รู้รูอยู่ใฉยเฉยมันไม่ไปรู้กาย มันรู้เฉยมันไม่ไปยินดีไปยินล่เอะไรแล้วมันปวดไหมล่ะทีนี่เขาถ้าเราเข้าสมาธิมันจะไม่ปวดแล้วถ้าเราไม่เข้าสมาธิมันก็ปวดถ้าจิตลงถึงฐานใหญ่มันก็รู้ออกมาเป็นเอกเทศรู้เฉยมันไม่ไม่ไยึดเอากายไม่ไปยึดเอาขันหมันเจตโตวิมุตติุด วางคันห่าทิ้งแล้วมันจะเก็บไหมล่ะใช่ไหมมันไม่เก็บมันไม่ปวดให้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจไหมล่ะทีนี้ที่เราเก็บเราปวดโดยกิตมันเข้ามันออกบ้างเวลามันเข้ามาก็รู้สึกปวดเวลามันออกเป็นสมาธิมันก็ไม่ปวดมันไม่ไปนานเข้าใจ หรืยังไม่เข้าใจเออต้องพิสูจน์ให้สว่างเอาเม็นพิกขาออกไปมันก็แล้วก็ยังสวดอยู่ทุกโขตินนาทุกข ะ, ปะเปรตตาแปลว่ า, างไงความทุกข์เราได้อย่างเอาเราแล้วใช่ไหมละ่ะยังได้ก็ทุกนั่งอยู่นี่ยังได้กัทุกความทุกข์ได้อย่างเอาเราแล้วทุกข ะ, ปะเปรตตา ความทุกข์รอเรอยู่ข้างหน้าแม่กระดิกหรือพลิกไก่พลิกขาออกไปนานไหมล่ะมันก็ปวดอีก <c oughs> คือมันรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมนี่มันรออยู่เราข้างหน้าต้องปวดอีก <c oughs> เข้าใจนะ <c oughs> ทุกไกใ มันดับไม่ได้มีแต่บรรเทาพิกขาไปก็บรรเทาเฉยเฉใช่ไหมบรรเทาทุกเฉยเฉยแต่ไม่นานมันก็ปวดอีกก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเรียกว่าความทุกข์เรารอเราอยู่ข้างหน้าอยู่อีกกายนี่ดับไม่ได้ดับได้แต่จิต ด, ดับทุกข์ได้ กายมันบรนเทาเฉยๆบันเทาทุกข์ให้เข้าใจว่าบรรเทาให้เบาบางลงเฉยๆพอนั่งไปอีกก็ทุกข์อีกแต่จิตทุกข์เราดับได้อบรมได้ไม่ให้มันไปเบียกเอาขั้นห้ามันก็ดับมันก็หมดมันก็ไม่ทุกข์ มันมีปัญญาลู้เท่าเข้าใจแล้วมันก็ดับได้จิตเออเอาหกโมงครึ่งแล้วสี่สิบเอาละสมควรแล้วถามก็ฟังด้วยกันก็เข้าใจไปด้วยกันเวลาหมู่เพื่อนถามก็พิ่เจรณาไปด้วยตองไปด้วยไม่ใช่เขาถามแต่เขาฟังแต่เขาเราก็ฟังด้วย เอาพาเล่ย์เห็นไหม